ในธรรมสติปัฏฐานนั่นเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติกิตภาวนาทั้งเพื่อสมาธิทั้งเพื่อปัญญาและธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ในหมวดสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นก็เป็นข้อธรรมะ ที่เกี่ยวแก่กายเวทนาจิตธรรมอันเป็นหัวข้อแห่งปฏิปทานทั้งสี่และแม้จะแสดงธรรมะข้ออื่นนำดังที่ได้แสดงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนำมาโดยลำดับ ก่อนนับเข้าในหมูสติปทานทั้งสี่นี้ในการปฏิบัติเกี่ยวแก่พระคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้ก็ต้องอาศัยสติปทานคือตั้งสติระลึกคุณของพระพุทธเจ้าว่ามีอย่างนี้อย่างนี้ ระลึกถึงคุณของพระธรรมว่ามีอย่างนี้อย่างนี้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่ามีอย่างนี้อย่างนี้และโดยปกติในการแสดงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณก็แสดงไปตามบทสวด พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคืออิสิปิโสพระวาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นสวากาโตพระวัตาธรรมโมเป็นต้นสุปฏิปันโนพระกัโตส า, าวกัสสังโฆเป็นต้นเพราะเป็นที่รวมพระคุณแห่งรัตนะทั้งสามนี้ ไว้แล้วเป็นหมวดหมู่อย่างดียิ่งการนลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณตนรับได้ว่าเป็นการปฏิบัติในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตก็ยอมน้อมไป เวทนาก็ย่อมเป็นไปกายก็ย่อมเป็นไปในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณตั้งสติระลึกถึงนี้แม้ในการแสดงธรรมะข้ออื่นทุกข้อก็จะต้องอาศัยสติตั้งระลึก ตั้งแต่เบื้องตน้นคือเมื่อฟังเมื่ออ่านไปตามข้อธรรมนั้นๆก็นับในเข้าในข้อธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานได้ทั้งหมดดะฉะนั้นจะกล่าวว่าเป็นการปฏิบัติตั้งสติระลึกถึงประธรรมก็ได้ซึ่งเป็นระณะที่สอง ในรัตนะทั้งสามและก็ย่อมเป็นไปตามพระธรรมคุณที่สวดกันนั่นตั้งแต่สวาคาโตภกวัตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิพระเจ้ากล่าวรีแล้วเป็นต้นเพราะพระธรรมที่ตั้งใจระลึกกำหนด ฟังกำหนดอา่านและกำหนดปฏิบัตินั้นๆก็ล้วนเป็นธรรมะที่พระพุทธเจา้าได้กล่าวไว้ดีแล้วได้ตัดไว้ดีแล้วทางนั้นและพระพุทธเจ้าเองซึ่งเป็นผู้ตรัสพระธรรมที่เป็นสุาขาธรรมนั้น ก็ทรงเป็นพระอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นตามหมดประพุทธคุณก็เป็นอันได้ประพุทธคุณไปด้วยกันฝ่ายผู้ฟังพระธรรมที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่แรกได้ดวงตาเห็นธรรม จนถึงทํากิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปบางส่วนถึงสิ้นเชิงอันชื่อวัตประสงค์ก็อาศัยรู้ตามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั่นเองผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้ก็ยอมดำเนินอยู่ในทางเดียวกันและเมื่อปฏิบัติเป็นยังเข้าคัน ก็ น, นับเข้าในพระสงค์สาวกคือผู้ฟังของพระพุทธเจา้าก็เป็นอันได้ระลึกถึงพระสังฆ ค, คุณไปได้วยกันฉะนั้นธรรมะทั้งสิ้นที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนจึงเนื่องเป็นอันเดียวกันและดำเนินไปในทางเดียวกันทั้งหมดดังนี้ตรัสไว้ ในเบื้องต้นของมหาสติประธานว่าเอกายโนมักโกมักคือทางปฏิบัติที่เป็นทางไปอันเลียวสัตตานางมีรุธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายโลกะปฏิเดวนางสมติกามายะเพื่อก้าวล่วม ความทุกข์และความโทมนัสโซกะเพื่อก้าวล่วงความโศกและความปริเทวะคือความร่ำครวญรำพันลุกคโดมานัสซานังอทั้งกมายะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสญาญสสะอธิกมายะ เือบรรลุยาณธรรมคือธรรมะที่พึงบรรลุธรรมะที่พึงรู้ธรรมะที่ถูกชอบนิบบานาัสส จ, จิเกิรยะกิริยายะเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหัวข้อที่ตรัสไว้ หลังนี้ย่อมเป็นไปในธรรมะทั้งหมดที่ตัดแสดงสั่งสอนคือเข้าทางเดียวกันทั้งหมดไม่แตกแยกทางออกไปเป็นทางอื่นมุ่งสู่ความบริสุทธิ์ความก้าวล่วง สโสกปริเทวะความหลับทุกโทมนัสความมาลุกญาณธรรมธรรมที่ถูกชอบดังกล่าวเพื่อกระทาให้แจ้งสืพระนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายในกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพุทธิเจา้าจากการสับฟัง จากการอ่านและจากการที่นำมาปฏิบัติด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติไปได้ความบริสุทธิ์ใจได้ความก้าวล่วงความโศก ค, ความดันดวงข่้มขวใจหลับทุกโทมนัดใจทั้งหลายบรรลุถึงภูมิธรรมจิตใจที่ถูกชอบ ประกอบด้วยความรู้ความเห็นและได้พบกับความดับทุกข์ดับกิเลสในใจตัวเองลงดังที่เรียกว่าทำให้แจ้งนิพพานแม้ชั่วครูชั่วขณะเป็นคณนิกะนิพพาน คือนิพานชู่ครูชูช่คณะดังนี้ก็ใช้ได้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติถูกต้องธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนี้แม้จะมีมากมายก็เรียกว่ามากมายโดยปริยายอันหมายความว่า ทางที่แสดงที่รัตแสดงเพื่อให้เหมาะแก่อัธย า, ายศัยนิสใจภูมิทั้นแห่งจิตใจของผู้ฟังนั้นๆเพราะพระองค์ทรงเป็นพระพกวาที่แปลโดยนัยหนึ่งว่าพระผู้จำแนกแก่ธรรม สั่งสอนประชาชนเพราะฉะนั้นปริยายคือทางที่แสดงจึงมีมากมายอย่างที่เรียกว่าแปด0มื่นสี่พันประธรรมขันแต่ว่าก็ล้วนเป็นเอกายตนมัก ค, คือเป็นทางไปอันเรียวเข้าทางอันเรียวกันทั้งหมด จะกล่าวว่าเข้าทางอริยมรรคเปนเป็นอริยสัจข้อที่สี่ก็ได้ดังจะบึงเห็นได้ว่าในปฐมเทศนานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทางปฏิบัติของพระองค์ที่ทรงเว้นจากหนทางสุดตรงสอง คือกามาสุขันิการุโยกความประกอบตนไว้ด้วยความสุขสดชื่นในกามและอัตตกิลมทฐานุโยกความประกอบทำความลำบากทุกแก่ตน<อ>ทรงดำเนินไปในมัชฌิมาปฏิปทา คือข้อปฏิบัติอันเป็นหุนทางกลางไม่คงแวะด้วยทางสุดตรงทั้งสองนั้นอันเรียกว่ามัชิมาปฏิปทาได้การมักมีองค์แปดคือทางปฏิบัติที่มีองค์แปดประการเป็นทางเดียวนั่นแหละแต่ว่ามีองค์ประกอบแปด คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดลบริชอบสัมมาวาจาเจนจาชอบสัมมากรรมตะ ก, การงานชอบสัมมาอาธิวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาส ม, มาธิตั้งใจชอบ ยังได้ตรัสรู้ธรรมะที่เป็นอริยสัจคือเป็นสัจจคความจริงที่อริยบุคคลพึงรู้ที่ไม่ได้เคยทรงสดับมาก่อนอันได้เกิดทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติถึงความดับทุกและก็ในแสดงถึงญาณ คือความอย่างรู้ความตรัสรู้ที่ทรงได้ในอริยสัจ ท, ทั้งสีน่นี้ว่ามีเป็นอย่างไรเมื่อทรงได้ญาณคือความตรัสรู้นี้แล้วยังได้ทรงปริญญาพระองค์วัในใดทรงตรัสรู้เองชอบชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว ไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกดังนี้เป็นอันว่าอาิยสัตทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และได้ทรงแสดงไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนานี้เป็นหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาเมื่อทรงแสดง เรธรรมัทิศนาในครั้งต่อๆมาก็ทรงแสดงโดยปริยายคือทางที่เหมาะแก่ผู้ฟังนั้ น, น, นและแม้จะได้ตรัสจำแนกไว้โดยปริยายคือทางมากมายเพียงใดก็ยนต์เข้า ในเอกายตนะมักดังกล่าวแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติดึงได้ตรัสย่อเข้ามามักมีองค์แปดนั้นก็ตรัสเข้ามาโดยย่อเป็นไตรสิกขาคือศีละสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขา หรือศีลสมาธิปัญญาที่ผู้นับถือพุทธศาสนาได้ศึกษาฟังจำและปฏิบัติกันอยู่ก่อนที่จะทรงแสดงถึงไตรสิกขาก็เลยทรงย่อไว้ก่อนแล้วในพระโอวาทปาติโมกที่ตรัดไว้ในวันเพนลอนมาคะ ไม่นานปีจากทิศัสรโรอันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประกอบพิธีมาะบูชาที่เราทั้งหลายได้ปฏบิบัติบูชากันอยู่คือย่อเข้ามาเป็นสามได้เกิดเพ็ปา ป, ปัตตะอาการณนัง การไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปดาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตประโยชน์ระนปังการทำกิตของตนให้ผ่องใสนี่คือศาสนาของพระพุทธคือภูรูทั้งหลายที่มีคำบาลีว่าเอตังบุตานะซาสนังและคำนี้เอง เป็นต้นเดิมของคำพระพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายเรียกกันอยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าเองได้ทรงนําใช้ขึ้นก่อนในพระโอวาทอันสำคัญนี้และก็พึงสังเกตว่าในพระโอวาทนี้ตรัสว่าบุท ธ, ธานะศาสนาศาสนงศาสน า, ส า, สนาบุษฐานะก็คือบุท ธ, ธานะัง แห่งพระพุท ธ, ธทั้งหลายหรือแห่งพระภูรูทั้งหลายอันหมายความว่าธรรมาพุท ธ, ธะนั่นไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธเจา้าผู้พระบรมศ า, าสดาของเราสงายเพียงองค์เดียวเพราะฉะนั้นจึงได้มี แสดงถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเป็นอันมากในกับกันนั้นๆและแม้ว่าพระสาวกคือสิทธิของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนและได้รู้ตาม ละกิเลสกองทุกข์ในตามก็เรียกว่าอรุปุธะแปล ว, ว่าพระพุทธสรุตตามและได้มีแสดงถึงพระพุทธเจ้าในสมัยว่างศาสนาที่ท่านได้ค้นคนว้าปฏิบัติธรรมได้พบทางที่เป็นมัทิมะปฏิปทาและได้ตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่นี้ ทำกิเลสแลกองทุกข์ให้สิ้นไปด้วยองค์ท่านเองไม่ได้ฟังจากใครแต่ว่าเมาื่อตสัรู้แล้วก็ไม่ได้สอนใครจึงไม่เกิดเป็นศาสนาของท่านขึ้นเรียกว่าท่านไม่ตั้งศาสนาขึ้นซึ่งเรียกว่าปัจเจกพุท ธ, ธะหรือเราเรียกกันว่าพระปัจเจกโพธิเกล้าพระเมตสรู้เพียงพระองค์เดียว คือจำพาะพระองค์ไม่สอนใครไม่ตั้งศาสนาขึ้นก็เป็นพระพุท ธ, ธอีกจำพวกหนึ่งจึงรวมพระพุท ธ, ธได้สามจำพวกหนึ่งพระสัมมาสัมพุท ธ, ธคือพระพุทธผู้ตรัสรู้เองชอบแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ตั้งพุทธศาสนาเน่ยพุทธบริรัทขึ้นในโลกดังเช่นพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายสองพระปัิเจกาพะพุทธคือพระพุทธะผู้ตรัสรู้เฉพาะพระองค์เดียวไม่สั่งสอนใครไม่ตั้งพุทธศาสน า, าพุทธบริษัขึ้น สามพระอนุพุทธคือประสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นจำพวกที่หนึ่งซึ่งได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วในตรัสรูต้ตามทำกิเลแต่กองทุกข์ให้สิ้นไปตามคำอุาาบธตาณนะสารสัง เรวสัสสนาของพระพุท ธ, ธทั้งหลายเอาเฉพาะที่เป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเท่านั้นในอดัดีก็มีมาแล้วมากมายในอนาคตก็จะมีอีกนในปัจจุบันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดสาของเราทั้งหลายซึ่งตั้งพุทธศาสนาขึ้น ตั้งพุทธบริษัทขึ้นที่เราทั้งหลายนับถือปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้เป็นพระสมมาสัมพุทธญาพุทธศาสนาที่เรานับถือกันทุกวันนี้นก็เป็นคําสอนของพระพุทธคือพระองค์และแม้ว่าพระพุทธเจ้า องค์อื่นทั้งหมดท่านกนรษฐรสุรุณิสัต ท, ทั้งสี่นี้อย่างเดียวกันได้ดำเนินมาในมัชฌิมาปฏิปทาคือมักเป็นองค์แปดอย่างเดียวกันสอนอย่างเดียวกันเป็นเอกายตนะมกักทางไปอันเอกอันเดียวกันไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น ยึงในตรัสว่าคำสอนของพระพุาทธทั้งหลายซึ่งเรามาใช้เรียกว่าพุทธศาสนาตามพระองค์และในพุทธการนี้ก็เป็นคำสอนของพระเจ้าผู้พระโอรศาสนาของเราทั้งหลายนี้ซึงทันแสดงว่าเมื่อ ได้มีพระพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นและมีศาสนามีพุทธบริษัทของพระองค์อยู่นานกลับใดย่อมไม่มีพระพุทธทองค์อื่นขึ้นคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธท ไม่มีพระประเจกับพุทธองค์เกิดขึ้นในพุทธการที่ยังดำรงอยู่นี่เพราะว่ามีศาสนาของพระองค์ปรากฏอยู่ในโลกแล้วสั่งสอนอยู่ในโลกแล้วโอ้มงปฏิบัติธรรม เพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไม่จำเป็นจะลงไปค้นคว้าด้วยตนเองเพราะว่ามีตำรับตำราที่จะค้นคว้าได้แล้วและมีพระสงฆ์ที่จะสั่งสอนได้แล้วจึงไม่ต้องค้นคว้าเอาเองเพียงแต่ตั้งใจมาศึกษาแล่าเรียนปฏิบัติ เท่านั้นก็ทำกิเลสแต่กองทุกข์ให้สิ้นได้ก็เป็นอนุพุทธะขึ้นได้ต่อเมื่อสิ้นพุทธกาลหรือสิ้นศาสนาไม่มีพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกไม่มีพุทธบริษัทปรากฏอยู่ในโลกแล้วเมื่อมีภูมิมุ่งปฏิบัติธรรม ก็พ้นกิเลสแต่นนกองทุกข์ก็ต้องค้นคว้าเอาเองและท่านภูที่เป็นประโพธิสัตว์ได้ค้นคว้าปฏิบัติเข้าทางมาโดยลำดับแล้วในที่สุดก็จะมาพบทางในองค์แปดแล้วก็จะได้ตรัสรู้อริสัต์ทั้งสี่ได้เพราะธรรมะที่เป็นสัจจะ คือความจริงนี้เป็นของกลางเป็นของที่มีอยู่โดยไม่มีการเวลาคือไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันพระพุทธเจ้าซึ่งในตัศรูปธรรมนั้นก็รุ่ยเลยทรงคน้นคว้าทรงปฏิบัติเข้าทางมีองค์แปด จึงทรงได้พระปัญญาที่ตรัสรู้ในธรรมะอันแรกสัาจยะที่เป็นความจริงซึ่งเป็นความจริงอย่างประเสริฐสุดอันเรียกว่าอริยสัจเพราะทำให้ผู้ตรัสรูนั้นเป็นอริยบุคคลเป็นผู้สิ่งกิเลนในกองทุกได้ดะังนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตในธรรมนิยา ม, มสุดว่าธาตุนั้นตั้งอยู่เป็นธรรมัติติความตั้งอยู่แห่งธรรมเป็นธรรมนิยามความกาหนดแห่งธรรมพระพุทธเจ้าบตรดาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็นตามธาตุนั้นก็คงตั้งอยู่คือได้แก่สับเบสังฆาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสับเบสังขาราดุขาสังขารทั้งปวง เป็นทุกสเสมถมาอนัตตาทาทั้งปวงคือทั้งสังขารและทั้งวิสังขารคือไม่ใช่สังขารเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่ว่าเมื่อประสาพระตร า, าคตพุทธเจ้า ใน ต, ตรัสรูแล้วก็ได้ทรงที้แจงแสดงเปิดเผยกระทำให้ตื้นเป็นพุทธศาสนาขึ้นดังนี้เพราะฉะนั้นธรรมะหรือว่าถาดซึ่งเป็นสัจคือความจริงแท่แม่สามข้อ ทีสงยกขึ้นในประสุธ์นี้จึงเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ไม่มีการเวลาเป็นอากาลิโกอันสิ่งที่เป็นกาลิโกคือเป็นสิ่งที่มีการเวลานี้จะต้องมีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันเพราะฉะนั้น ยังตั้งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาอย่างชีวิตสังขารของทุกๆคนเรานี่ก็มีอดีตคือล่วงมามีปัจจุบันคือบัดนี้และมีอนาคตคือต่อไปแล้วว่าไม่ตั้งอยู่คงที่หากตั้งอยู่คงที่แล้ว ก็ย่อมไม่มีอดีตคือล่วงไม่มีอนาคตคือปัจจุบันไม่มีไม่มีไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตคือต่อไปแ้่เมื่อต่างอยู่แล้วก็ต้องไม่มีการเวลาที่จะแบ่งออกเป็นสามเรื่องกล่าวนั้นอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นสัจจะจริงแท้นั้นจึงเป็นอากาลิโก ไม่ประกอบในการเวลาต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทุความสงบสืบต่อไป